คือพระพุทธศาสนาเนี่ยนะไม่ได้เรียนให้มีหูทิพตาทิพวิเศษวิโสอะไรหรอกวัตถุประสงค์ที่เราศึกษาพระพุทธศาสนา เ, นเพื่ออะไรจะถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเรางานหลักจริงๆนะเป้าหมายสูงสุดเลยคือต้องไม่ทุกข์ในใจที่มันมีความทุกข์เนี่ย มันเกิดจากอะไรใจที่มีความทุกข์นี่เป็นผลเป็นตัวผลการแก้ปัญหาเนี่ยเราแก้ที่ตัวผลไม่ได้เราต้องแก้ที่ตัวเหตุเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นะคือใจเนี่ยมันยอมรับความจริงที่กาลังปรากฏ ต, ต่อหน้า ต, ต่อตาเรานี่ไม่ได้ร่างกายนี้ต้องแก่ใจมันยอมรับไม่ได้พอมันแก่ขึ้นมาใจก็ทุกข์ หรือยังไม่ทันแก่นะมันกลัวจะแก่มันก็ทุกข์ละร่างกายนี้ต้องเจ็บไข้ใจยอมรับความจริงไม่ได้ตั้งแต่กลัวจะป่วยหรือป่วยแล้วเนะี่ยใจมีแต่ความทุกข์ร่างกายนี้ต้องตายถ้าใจมันยอมรับความจริงไม่ได้ใจมันก็ทุกข์มันทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ทันจะตายคิดว่าใกล้จะตายแล้วทุกข์ เราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายถึงยังไงวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากจากคนที่รักจากทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกติยศทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้ใจก็ทุกข์เราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจห้ามมันไม่ได้หรอกบางครั้งเราก็เจอของไม่ดีเจอคนไม่ดีเจอสิ่งแวดล้อมไม่ดี เรายอมรับไม่ได้ใจก็ทุกเวลามีความอยากต่างๆเกิดขึ้นมันไม่สามารถสนองความอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความอยากนะั้นเพิ่มไปเรื่อยๆได้อันนี้แล้วก็อยากอันอื่นต่องั้นเวลาเราเกิดความอยากขึ้นมาใจก็มีความทุกข์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้ามันไม่สมอยากนี่จะทุกข์เยอะ ความทุกข์นะมันมาจากการที่ใจยอมรับความจริงของกายของใจนี้ไม่ได้วิธีที่จะฝึกให้ใจยอมรับความจริงได้นะมีทางเดียวเท่านั้นเองคือพาจิตใจเนี่ยให้เรียนรู้ความจริงซ้ำแล้วซ้ำเล่าพามันมาดูของจริงจนกระทั่งวันหนึ่งมันยอมรับความจริงนะร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย จิตใจของเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักต้องมีความไม่สมปรารถนาเนี่ยถ้าเห็นใจมันยอมรับได้นะแก่ขึ้นมามันรู้ว่าแก่เป็นเรื่องธรรมดามันก็ไม่ทุกนะเจ็บไข้ขึ้นมามันก็รู้ว่าเรื่องธรรมดายังก็ไม่ทุกจะตายมันก็เรื่องธรรมดามันก็ไม่ทุกต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักคนที่รัก มันก็เรื่องธรรมดาต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจบ้างก็เรื่องธรรมดาต้องสมหวังบ้างผิดหวังบ้างก็เรื่องธรรมดาเราจะพาจิตให้ได้เรียนรู้ความจริงนะจนเห็นอะไรอไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไปหมดอนะพอใจมันเห็นว่าทุกอย่างเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นความอยากทั้งหลายทั้งปวงนะมีมากมายมหาศาล แต่ย่อลงมาแล้วนะประมวลลงมาแล้วมันก็แค่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์มันก็มีแท่นนี้เองอย่างเราอยากไปดูหนังไปฟังเพลงอยากไปคุยกับเพื่อนจริ ง, รงๆก็อยากมีความสุขอยากมีสุขภาพแข็งแรงอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดเลยเนีย่ก็หวังว่าให้ร่างกายเป็นสุขเจ็บป่วยมาอยากให้หายอยากให้ร่างกายเป็นสุข มันมีแต่เรื่องความอยากทั้งหลายแล้วมันมีแค่ว่าอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นจากทุกข์เท่านั้นเองความอยากเนี่ยเป็นเหตุเป็นเหตุความทุกข์ทางใจเป็นผลการแก้ปัญหาเนี่ยเราไม่แก้ที่ตัวผลนะตัวผลเนี่ยเราแก้ไม่ได้เราแก้ที่ตัวเหตุอย่างเราสอบได้คะแนนน้อยเนี่ยเป็นผล จะแก้ยังไงจะไปแก้ข้อสอบหรือแก้คะแนนสอบอะไรนะแล้ น, นมันก็โกงเขาก็ต้องแก้ต้นเหตุทำไงสอบให้มันได้คะแนนมากกว่านี้หรืออย่างไฟไหม้ไฟไหม้เราก็บักดับไฟไฟน่ะเป็นผลไม่มีใครดับได้หรอกอะไรเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้มันมีเชื้อเพลิงมันมีออกซิเจนมันมีอุณหภูมิสูง เกิดสันดาบเพื่อมาไหม้เวลาที่ดับไฟนะั้เขาดับเหตุของไฟไม่ได้ดับตัวไฟอุณหภูมิสูงไปเอาน้าไปฉีดอุณหภูมิลดลงไฟก็ดับเพราะเหตุของไฟมันดับไฟมันไหม้ลามมารื้อบ้านทิ้งไปหลังสองหลังมันไม่มีเชื้อเพลิงจะไปต่อไฟมันก็ดับหรืออย่างเวลาไฟไหม้ไหม้น้ำมันไหม้รถยนต์อะไรอย่างี้ เขาเาโฟมไปฉีดให้ออกซิเจนเข้าไปไม่ได้ไฟก็ดับแม้กระทั่งการดับไฟนะเขาก็ดับเหตุของไฟการจะดับทุกก็ต้องดับที่เหตุของทุกเหมือนกันเหตุของทุกเรียกว่าตัวสมุไทยสิ่งที่เป็นสมุไทยที่ทําให้จิตใจเราเป็นทุกข์ก็คือความอยากนั่นเองหรือตัณหานั่นเองนี่อยู่ๆเราจะดับตัณหานะใครๆก็อยากดับนะพวกนักปราบทั้งหลายเขาก็อยากดับ แต่เขาไม่รู้วิธีจะดับอย่างบางศาสนาเนี่ยเขาจะดับความอยากของใจนะั้นด้วยการทรมานตัวเองทรมานกายทรมานใจให้มากเลยคิดว่าถ้าเราไม่ตามใจมันไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะพ้นจากอำนาจของความอยากได้ถ้าอยากแล้วตามใจไปเรื่อยๆนะไม่พ้นเนี่ยอย่างพวกนี้ครนนะก็ เ, เชื่ออย่างนี้ อยากกินก็ไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสุกอยากสบายนั่งก็ทรมานตัวเองไปหวังว่าวันหนึ่งจะพ้นจากความอยากพระพุทธเจ้าไม่ได้มองอย่างนั้นพระพุทธเจ้ามองอีกอะไรเป็นเหตุให้ใจมันเกิดความอยากเห็นหมันต้องท่านสาวเข้าหาเหตุค่อยๆสาวเข้าไปมีความทุกข์เพราะมันมีความอยากความอยากมันเกิดจากอะไรนะท่านพิจารณาลึกลงไปลึกลงไป ความอยากมันเกิดจากความโง่เพราะเราอะมันโง่ใจมันโง่มันไม่รู้ความจริงว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้มันไม่เห็นความจริงเหล่านี้อย่างมันไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์มันก็อยากให้กลายเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์นี่เป็นความไร้เดียงสาความอยากทั้งหลายเป็นความไร้เดียงสาเป็นผลจากความไร้เดียงสาทั้งนั้น อยากให้จิตใจมีแต่ความสุขอยากให้จิตใจไม่มีความทุกขนะ์เพราะะไรเดียงสาไม่รู้ว่าตัวจิตจริงๆเป็นตัวทุกขนะ์งั้นถ้าเมื่อไหร่ทาลายความไร้เดียงสาหรือความโง่เขลาลงได้เนะี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกอย่างถ้าจิตของเราเกิดปัญญาแก่รอบรู้ว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ความอยาก ที่จะให้ร่างกายเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นตัวทุกข์ความอยากให้ร่างกายพ้นทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นตัวทุกข์มันอยากไปก็ป่วยการยังไงมันก็ทุกข์หรือจิตใจนี้นะถ้าเราพาวนาไม่เป็นเราก็เห็นว่าใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ถ้าเราพาวนาเป็นจริงจริงเราเห็นว่าใจนี้มีแต่ทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยตอนไหนทุกข์มากเราก็ว่าทุกข์ตอนไหนทุกข์น้อยเราว่าสุขร่างกายนี้ก็เหมือนกัน เราภาวนาไม่เป็นเราก็เห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ร่างกายเนี่ยถ้าภาวนาเป็นจะเห็นร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยตอนไหนทุกข์น้อยเราก็ว่าเป็นความสุขเพราะความไร้เดียงสาอย่างนี้ไม่รู้ความจริงว่ากายนี้เป็นทุกขล์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป พอเราไม่เห็นอย่างนี้นะมันก็เลยเกิดความอยากอยากอะไรก็ร่างกายมันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราก็อยากให้มันเป็นสุขอยากให้มันไม่ทุกข์เราเห็นว่าจิตใจนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราก็อยากให้จิตใจเป็นสุขอยากให้จิตใจไม่ทุกข์เนี่ยเพราะความไม่รู้ของเราความไม่รู้นี่เรียกว่าอาวิชชางั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านพาปฏิบัตินะมุ่งมาทาลายอวิชชาคือความโง่ของเรานี่เอง ความโง่ที่คิดว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างความโง่ที่คิดว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างทำอย่างไรจะหายโง่ก็ต้องเห็นความจริงวิธีเห็นความจริงนี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจว่าจริงจริงมันมีแต่ทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อย การที่เราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้อันแรกเลยเราต้องไม่ลืมกายไม่ลืมใจเวลาที่เราใจลอยนะเราไปคิดเรื่องนนเรื่องนี้นะมีร่างกายเราก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจอย่างเวลาใจลอยยุงมากัดนะไม่รู้ตัวเลยเพราะใจลอยใ้มันหนีไปซะแลนะ้วไม่รู้ตัวเองหรือนั่งเล่นไพ่เพลินๆ น, นะ ตำรวจมาพักพวกหนีไปหมดเรายังไม่รู้เลยมัวแต่คิดจะจัวตัวไหนอยู่อย่างงี้หรืออยู่มหาวิลลยมหาลัยนักศึกษาเองเมื่อก่อนแล้วก็ชอบเล่นไพ่นะแต่หลวงพ่อไม่เล่นหรอกลูก ร, รู้สึกไม่ดีเวละเล่นก็จะมีคนดูต้นทางว่าอาจารย์จะมาไหม <c oughs> นี่เรากแหมกาลังคิดจะจวตัวนั้นตัวนี้อยู่นะอาจารย์มานะเพื่อนหนีไปหมดยังไม่รู้เลยเวลามันใจลอยนะ มันลืมทุกอย่างเลยมันหลงอยู่ในโลกของความคิดของตัวเองแคบๆเท่านั้นเองอะไรจะเกิดในร่างกายไม่รู้ยุงกัดยังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นทางจิตใจก็ไม่รู้จิตใจตอนนั้นกาลังบกมุ่นมองไม่เห็นเลยเพราะงั <S <S ้นเมื่อไรที่ใจลอยนะเมื่อไร่ใจลอยเมื่อนั้นมีกายก็เหมือนไม่มีมีใจก็เหมือนไม่มีเมื่อร่างกายมันหายไปเมื่อจิตใจมันหายไปแล้วเนะี่ย เราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจย่อมจะทําไม่ได้เพราะไม่มีอะไรให้เรียนนะเพราะฉะนั้นการที่เราใจลอยเราเผลอเราเพลินเราหลงไปนะั้เป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของการทําวิปัสสนากรรมฐานมีกายก็ลืมมันไปมีใจก็ลืมมันไปแล้วจะไปเห็นได้ยังไงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะโดยธรรมชาติของคนและสัตว์ทั้งหลายนะั้นสนใจสิ่งภายนอก ไม่สนใจตัวเองทั้งๆ ท, ที่รักตัวเองมากที่สุดตื่นนอนมาเราก็คิดถึงเรื่องอื่นคิดถึงคนอื่นทําอะไรเราก็คิดถึงคนอื่นคิดถึงเรื่องอื่นตลอดขับรถไปเห็นรถชนกันใจก็อยากดูนะสนใจเชิงอดูเขาไม่รู้ทันว่าใจกําลังอยากดูบางคนก็อยากดูด้วยนะอยากดูด้วยแล้วก็กลัวด้วยสยองกลัวจะเจอศพเละเทะ ใจมันอยากก็ไม่เห็นนะโมเดลขับรถไปก็ทุกคนชะลอรถเฉียวกันสักคันหนึ่งนะไม่ต้องเฉียวคนหรอกเฉียวม้าสักตัวหนึ่งนะรถติดทั้งถนนเลทั้งสองฝั่งเลยเพราะทุกคนสนใจของข้างนอกไม่รู้ทันว่าใจมันกําลังอยากดูเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราเราจะสนใจไอ้คนที่ปาดเราไม่สนใจว่าตอนนี้ใจกําลังโกรธเขาอยู่ เราไปเดินศูนย์การค้าไปเดินสยามเสียเหยื่อะไรนี่ไปเห็นมือถือใหม่ใหม่เห็นแท็บเล็ตใหม่ใหม่อยากได้ล้วก็โมดูข้าวของเราไม่เห็นว่าใจกำลังอยากได้เวลากินของอร่อยเพลิดเพลินนะเพลิดเพลินในรสชาติอร่อยลืมตัวเองอีกอย่างบางคนตั้งใจจะไดเอทอยากลดน้ําหนัก กินทีแรกก็ตั้งใจนะตักเข้ามาคําเดียวเท่านะั้นรถมันหลอกมันเฉลินรู้สึกตัวอีกทิงหมดไปสาจานแนละ้เ <c oughs> นี่ยมีร่างกายก็ลืมนะมีจิตใจก็ลืมเพราะอะไรมันหลงในรูปที่เห็นหลงในเสียงที่ได้ยินหลงในกลิ่นที่ได้กลิ่นหลงในรสที่ได้สัมผัสหลงในความรู้สึกที่มาสัมผัสร่างกายหลงอยู่ในโลกของความคิดเนี่หลงทางใจ เวลาที่เราหลงไปนะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดอะไรก็ตามเถอะในขณะนั้นมีร่างกายเราจะลืมร่างกายมีจิตใจเราจะลืมจิตใจเพราะฉะนั้นในขณะนั้นจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้เหมือนเราศึกษาวิจัยอะไรสักอย่างนะเราเอาต้นไม้มาเพาะแล้วเราลืมต้นไม้ต้นนั้นไปเลยไม่เคยไปดูมันอีกเลยนะเอามาเลี้ยงไว้อยากดูว่ามันโตแล้วมันจะเป็นยังไง เราลืมมันไปเล ย, เ ร, เ, รย เ, รเราก็เรียนรู้มันไม่ได้เราจะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจได้เราก็ต้องไม่ลืมกายลืมใจเพะฉะนั้นเราต้องหัดรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าใจลอยไปคอยรู้สึกตัวบ่อยๆวิธีที่จะหัดรู้สึกตัวบ่อยๆนะก็ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะพุทโธก็ได้จะหายใจก็ได้อะไรก็ได้ <c oughs> ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองเช่นพุโทโธพุโทโธใจหนีไปคิดรู้ทัน หายใจออกหายใจเข้าใจหนีไปคิดรู้ทันใจมันเผลอไปหรือใจมันไปจ้องร่างกายอย่างเราดูท้องพองยุบนะใจไปจ้องอยู่ที่ท้องเนี่ยมันไปจดจ่ออยู่ที่อื่นแล้วขณะที่มันไปจดจ่ออยู่ที่อื่นมันจะลืมตัวเองกระทั่งจดจ่อในอ ว, วัยวะต่างในร่างกายนะใจก็เคลื่อนไปใจจะเคลื่อนไปอย่างเราดูลมหายใจใจเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจนี่ก็ลืมตัวเองนะ เวลาเราดูท้องผ่องยุบใจเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องไอ้นี่ก็ลืมตัวเองเวลาเดินจงกรมใจไปอยู่กับเท้านี่ก็ลืมตัวเองหรือเวลาภาวนาพุโทโธพุโทโธใจหนีไปคิดนี่ก็ลืมตัวเองเป็นหลงอยู่ในความคิดเวลาเราภาวนานะี่ยจิตจะหลงได้สองแบบอันหนึ่งหลงไปคิดนะอันหนึ่งหลงไปจ้องอารมณ์ที่เราทําขึ้นมาไปจ้องพุโทโธไปจ้องลมหายใจ จ้องท้องเทาะจ้องมือจ้องเท้าไปจ้องนิ่งอยู่เฉยๆถ้าเมื่อไรจิตเคลื่อนไปเมื่อนั้นจิตเผลอจิตลืมตัวเองจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีภาษาไทยที่ดีมากๆอยู่คำนะคาว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตัวนี้แหละคือสิ่งที่ต้องฝึกให้ได้ต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเข้าใจคานี้หมเด็กรุ่นนี้มีไหมเด็ก นิสิตปีสามอะไรเมื่อวานมาคุยกับหลวงพ่อคนหนึ่งอยู่ไหมวันนี้รู้จักไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักไหมคำนี้ยังรู้จักใช่ไหมคือภาษาในของคนแต่ละรุ่นเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนมันไม่เหมือนกันบางทีพูดภาษาอย่างนี้นะหลวงพ่อกายเป็นคนโบราณนะพูดกับเด็กเนี่ยเด็กไม่เข้าใจภาษามันเปลี่ยนถ้าภาษามันเปลี่ยนเราต้องพยายามไปสืบดูว่า เด็กเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าอะไรที่สืบที่ดีตามห้องน้ํำเห็นมิเขียนเขียนไว้นะมันมีสับแปลกๆบางตัวก็ไม่เข้าใจนะบางตัวก็พอหนูมานได้เห็นไหมตอนหลวงพ่อเล่าออกนอกเรื่องปุ๊บจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนึกออกไหมมันลืมเนื้อลืมตัวเล ย, ยคิดเพลินไปเลยนะไปถือห้องน้ําลนะ ตัวอยู่ที่นี่นะแต่ใจไปอยู่ในห้องน้ําสาธารณะเนี่ยเนี่ยจิตใจเรามันจะหนีนะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ยามฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่สบายๆนะต้องอยู่สบายด้วย ศัตรูเบอร์หนึ่งะของการทำวิปัสนากรรมฐานหรือการเรียนรู้ตัวเองก็คือการลืมตัวเองจิตใจไม่อยู่กันเนื้อกันตัวศัตรูเบอร์สองที่ทำให้เราเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้คือการที่เราเข้าไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจเราไปบังคับกายบังคับใจตรงที่เราลืมกายลืมใจเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ากามสุ ข, ขันธิการุโยกจิตใจไหลไปตามกามอะไรที่เรียกว่ากาม การมาคุณารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรื่องราวที่คิดธรรมารมณ์เวลาใจไหลไปในการมาคุณอารมณ์คือไหลออกไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดอะไรเนี่ยไม่เห็นกายเห็นใจศัตรูเบอร์สองชื่อว่าอัตต์คิลมาานุโยกการบังคับกายบังคับใจทากายให้ลาบากทำใจให้ลำบากทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะเราจะเริ่มบังคับกายก่อน แล้วก็บังคับใจทีหลังเอาทุกคนนั่งสมาธิสิพวกเด็กๆพวกที่มาเข้าคอร์สนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูนะรู้สึกไหมต้องขยับมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการดัดแปลงตัวเองได้ยินคำว่าให้นั่งสมาธิ <c oughs> ขยับเรียบร้อยนะ <c oughs> ก็ดัดแปลงจิตใจ ทำให้ซึมๆบางคนก็ทำทื่อๆนะดัดแปลงกายดัดแปลงใจนะเมื่อเราไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจเสร็จแล้วเนี่ยโอ ก, กาสที่จะเห็นความจริงของกายของใจไม่มีอีกแล้วเราะนั้นถ้าเราบังคับกายบังคับใจเมื่อไหร่นะเราจะไม่เห็นกายอย่างที่กายเป็นเราจะไม่เห็นใจอย่างที่ใจเป็นนี่เรียกว่าอาตัตะกิรมาฐานโยกทันทีที่บอกให้เดินจงกรม อย่างบทท่าหลวงพ่อตรงนี้เป็นทางจงกรมเรานั่งอยู่ตรงโน้นเอามาเดินจงกรมซิเราจะเดินพรวดพๆวดพรวดออกมานะเดินจงกรมนะไม่ช่องเดินบนทางจงกรมก็ได้ทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกรมทั้งหมดเลยแต่เราไม่เชื่อหรอกเราจะต้องเดินพรวดพลาดมาหาที่เดินกันพอเข้าที่เดินจงกรมได้ก็วางฟอร์มทําร่างกายให้ดูดีเรียบร้อยแล้วก็บังคับใจให้นิ่งแล้วถึงจะเดิน ไม่มีของจริงให้ดูอีกแล้วเมื่อไรบังคับกายเราก็จะไม่เห็นความจริงของกายเมื่อไรบังคับใจจะไม่เห็นความจริงของใจนี่คือศัตรูหมายเลข2ทั้งๆที่รู้สึกในกายทาั้งๆที่รู้สึกในใจนะแต่รู้สึกแล้วเข้าไปแทรกแซงเข้าไปบังคับเราก็เลยไม่เห็นความจริงของมันอย่างเราจะดูเด็กสักคนนึงเราอยากรู้ว่าเด็กนี่มีพฤติกรรมยังไงมันสนแค่ไหนเราถือไม้จ้องไว้ าสนให้เต็มที่เลยเด็กจะต้องเรียบร้อยนะจิตใจหรือร่างกายเราก็เหมือนกันนะเราอยากดูความจริงของมันนะอย่าไปอาถือไม่เรียวเฝ้าไว้อย่าไปจ้องใส่มันนะถ้าคอยจ้องไม่ให้คลาดสายตามึงมึงอยขยับทางไหนกูจะดูมึงอย่างนี้จะไม่เห็นความจริงมันจะนิ่งกว่าความเป็นจริงร่างกายก็นิ่งจิตใจก็นิ่งแทนที่จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงจิตใจไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์จิตใจเป็นทุกข์ แทนที่จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจไม่ใช่เรานะมันกลายเป็นรู้กายรู้ใจทื่อๆอยู่เฉยๆการรู้กายการรู้ใจอยู่เฉยๆนะไม่เห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนั้นคือสมถะกรมรมฐานอย่างเราดูท้องพองยุบนะใจเราไปจ้องอยู่ที่ท้องอันนั้นคือสมถะกรมรมฐานขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนเลเนี่ยแล้วก็ไปเพ่งอยู่กับมือนะให้ความรู้สึกจับอยู่ที่มือไม่ให้หนีไปไหนเลย ใจก็ทื่อๆนะร่างกายก็ขยับแหมสวยฝึกมากๆขยับดีนะแต่ใจเนี้ยทื่ๆซื้อบื้ออยู่กันเองปัญญาจะไม่เกิดปัญญาจะไม่เกิดนะมันอยู่ที่ความรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอันเนี้ยถึงจะเข้าทางสายกลางเห็นจิตใจเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอันเนี้ยถึงจะเข้าทางสายกลาง การที่เห of ็นกายเห็นใจได้แสดงว่าไม่หลงลืมกายลืมใจการที่เราเห็นกายแสดงไปเห็นใจแสดงไปนะโดยที่เราไม่เข้าไปแทรกแสงอันนี้ก็คือการไม่บังคับกายไม่บังคับใจเราจะต้องเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ทางสายกลางนั้นคือไม่สุดโต่งไปข้างหลงลืมกายลืมใจตามกิเลสไปไม่สุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจ ถ้าเราสามารถเข้าสู่ทางสายกลางคือการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้อ น, นั่นแหละถึงจะเดินมิปัสนากรรมฐ า, านได้เพรา ะ, ะั้นงานแรกที่พวกเราจะต้องฝึกกันนะก็คือฝึกทํำยังไงใจจะเข้าสู่ทางสายกลางได้ไม่เผลอแล้วก็ไม่ไปเพ่งไม่ไปจ้องไม่ไปบังคับไว้หลวงพ่อจะใช้คําว่าไม่เผลอไปกัไม่ไปเพ่งเอาไว้นะถ้าไปเพ่งไปจ้องกายก็นิ่งไปจ้องจิตใจจิตใจก็นิ่ง ไม่เผลอไปเราก็ไม่ไปจ้องเอาไว้แค่รู้สึกแค่รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเอาแค่รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็แค่รู้สึกเอาไม่จ้องมันโดยเฉพาะการดูกายกับดูใจเนี่ยจะแตกต่างกันดูกายนะเรารู้สึกอยู่ได้ไดตลอดเวลาร่างกายกระดุกระดิกไรเรารู้สึกได้ตลอดแต่ดูจิตใจเนี่ยอย่าไปรอดูนะจะไม่มีอะไรให้ดูเลยมันจะว่างการจะดูจิตดูใจเนี่ยนะ ให้ตามองเห็นให้หูได้ยินเสียงให้จมูกได้กลิ่นให้ลิ้นได้รสให้กายกระทบสัมผัสให้ใจคิดนึกไปพอมันกระทบอารมณ์แล้วนะมันเกิดสุขให้รู้ทันมันเกิดทุกข์ให้รู้ทันกระทบอารมณ์แล้วเกิดกุศลให้รู้ทันกระทบแล้วเกิดโลภโกรดหลงให้รู้ทันให้กระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบแล้วไม่บังคับใจให้นิ่งให้ใจเนี่ยเกิดปฏิกิริยาไปตามธรรมชาตินี่คือหลักของการดูจิตนะ ถ้าดูกายก็ดูปัจจุบันนี้ได้เลยดูจิตเนี่ยทําตัวสบายอย่าไปจ้องอย่าไปรอดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอานะตัวนี้เป็นหลักสําคัญนะอยู่ๆเราไปดูจิตไปจ้องปุ๊บจะว่า ง, ท, างทันทีไม่มีอะไรให้ดูเลยนี่พอเราดูมากเข้ามากเข้านะจิตมันค่อยฉลาดหายโง่มันรู้ความจริงเลยร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยร่างกายเนี่ย ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยถึงจุดหนึ่งนะมันจะปล่อยไม่ยึดถือกายมันรู้ความจริงของกายละเพราะฉะนั้นถ้าพอมันรู้ความจริงของร่างกายแล้วร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยความอยากที่จะให้ให้ใ ห, ให้ให้ร่างกายเป็นสุขความอยากให้ร่างกายพ้นทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นนะจิตใจจะพัฒนาพ้นทุกข์ไปได้ส่วนหนึ่ง น, ะนี่ต่อมาเราภาวนาไปเรื่อยเราเห็นนะ จิตใจเนี่ยแต่เดิมเราคิดว่าจิตใจนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะการที่เราคอยรู้คอยดูเข้าไปด้วยสุดท้ายปัญญาแก่รอบมันจะเห็นไหมจิตใจนี้มีแต่ทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองจิตใจนี้คือตัวทุกข์พอเห็นอย่างนี้นะความอยากให้จิตใจเป็นสุขความอยากให้จิตใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นงั้นวิธีที่จะทําลายตัณหาทําลายสมุทยัยหรือทําลายความอยากเนี่ยอยู่ที่การได้เห็นความจริงของรูปนามกายใจนะ หรือเรียกว่ารู้ทุกนั่นเองอริยสัจ4ี่ข้อที่1คือทุกใช่ไหมสี่ที่เรียกว่าทุกก็คือรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบเป็นตัวเรานี่เองถ้าเราเห็นว่าตัวนี้เป็นทุกนะทุกให้รู้ไม่ใช่ทุกให้ละด้วยให้รู้กายอย่างที่กายเป็นให้รู้ใจอย่างที่ใจเป็นจนกระทั่งรู้ว่ามันเป็นตัวทุกขทันทีที่รู้ทุกแจ่มแจ้งจะละสมุทยัยอัตโนมัตินะความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว ทันทีที่สมูทไทยถูกละนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าเรานิพพานมีอยู่แล้วแต่ใจเราไม่มีคุณภาพใจมีแต่ความอยากใจเลยไม่เห็นพระนิพพานเมื่อไหร่รู้ทุกนะเมื่อนั้นละสมูทไทยเมื่อไหร่ละสมูทไทยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่แจ้งนิโรธเมื่อนั้นแหละเกิดอริยมรรคเกิดในขณะเดียวกันเลยนะรู้ทุกละสมูทไทยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรค เกิดในขณะจิตเดียวกันนั่นเองเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งเลยของธรรมะไปไปกินข้าวนะ <c oughs> เดี๋ยวก็ฟังต่อ